บทที่สาการจูงจิตบท น, นี้เรามาถึงความสําคัญข้อหนึ่งซึ่งได้กล่าวถึงมาหลายครั้งในบทต้นคือเรื่องการจูงจิตหรือสักเกชันมนุษย์เราตกเป็นเหยื่อแห่งการจูงจิตคนเราจะดีหรือชั่วโดยมากเป็นด้วยการชักจูงพูดถึงความเป็นไปในชีวิตปกติของมนุษย์เราก็ายอมรับกันทั่วไปว่าการชักจูงนั้นมีอํานาจมากอันที่จริงมนุษย์เราทุกคนต่างมีความคิดจิตใจของตัว เมื่อต่างคนต่างอยู่แยกห่างต่างกันก็ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีความเห็นแต่เมื่อไรรวมหรือเกี่ยวข้องกันเข้าคนเราอาจสลับความเห็นของตัวเองได้ง่ายๆดวงจิตที่อ่อนแอย่อมพ่ายแพ้และตกเป็นเหยื่อของดวงจิตที่มีความเข้มแข็งมากนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาชุมนุมชนซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าแมสซิโคโลจีคำสอนของพระพุทธเจ้าเองในเรื่องมงคลคือในปัญหาที่ว่า อะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกเสวนะคือการครบหาขึ้นเป็นข้อแรกคือสอนให้คบแต่บัณฑิตอย่าคบคนพาลไทยเราเอามาแปลงเป็นคําบังเพลยว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลทั้งนี้เป็นเรื่องของการจุงจิตเพราะการครบหาบุคคลพวกใดย่อมจะถูกจูงจิตให้เป็นไปตามทางของบุคคลพวกนั้นฉะนั้นผู้ที่วางหลักธรรมอย่างพระพุทธเจ้าจึงสอนว่า ยาคบหาเข้าใกล้คนพานเสียเลยดีกว่าให้คบหาเข้าใกล้แต่บัณฑิตเท่านั้นทั้งนี้เป็นแต่เรื่องจรร ญ, ญาหรือปรชัชญาแต่ส่วนที่เกี่ยวกับจิตวิทยานั้นมีความสําคัญลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปหลักที่ว่าคนเราคิดอย่างไรได้อย่างนั้นเป็นหลักที่มีพิสูจน์ในทางจิตวิทยาอยู่เป็นอันมากมีตัวอย่างมากมายหลายเรื่องที่ได้พบเห็นกันด้วยการทดลองก็ดีด้วยความบังเอิญก็ดีแลเห็นผลอันแน่ชัดว่าความคิดของมนุษย์นั้น สามารถนำผลหรือโชคชะตามาให้เก่ดตัวเองได้อย่างแปลกประหลาดเป็นที่น่าเสียใจว่าตัวอย่างที่ได้พบกันมานั้นเป็นตัวอย่างในทางร้ายมากกว่าทางดีเพราะมนุษย์ชอบคิดถึงทางร้ายเมื่อคิดอะไรในทางร้ายเข้าผลร้ายนั้นก็บังเกิดขึ้นนักค้นคว้าทางจิตวิทยาจึงมาดาริว่าก็เมื่อเรารู้หรือเชื่อแน่ว่าการจะเป็นอย่างนี้แล้วทาไมเราไม่คิดไปในทางดี เรื่องคิดอะไรไปนในทางร้ายนั้นก็เป็นเรื่องหลอกลวงตัวเองความจริงผลร้ายยังมาไม่ถึงบางทียิ่งไม่มีเหตุการณ์หรือวิแววว่าผลร้ายจะบังเกิดขึ้นเสียด้วยซ้ำแต่มนุษย์ก็หลอกตัวเองคือไปนึกสมมุติว่าเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างนั้นอย่างนี้จะบังเกิดขึ้นคิดถึงเรื่องเหล่านั้นมากเกินไปทำให้วงจิตหวาดกลัวและความหวาดกลัวอันนั้นเองก็มีอานาจมหสัจจันทร์ซึ่งเข้าในลักษณะมหสัจจันทร์ทางจิตเหมือนกัน คืออาจจะเรียกร้องเอาเรื่องร้ายผลร้ายเข้ามาถึงตัวได้ก็เมื่อมนุษย์เราหลอกตัวเองในทางร้ายได้และนำผลร้ายมาให้แก่ตัวได้จริงๆด้วยเช่นนี้เหตุไฉนเล่ามนุษย์จึงไม่หลอกตัวเองในทางดีเพื่อนำผลดีมาให้แก่ตัวบ้างความคิดอย่างง่ายง่ายนี้ทำให้เกิดการขวนขวายค้นคว้าและทดลองกันอย่างมากนายแพทย์หลายนายได้สอนให้คนไข้พูดหรือนึกอยู่เสมอว่าอาการของตัวดีขึ้นทุกวัน แม้จะไม่เชื่อใจอย่างนั้นก็ให้พูดหรือพยายามนึกเพื่อหลอกตัวเองพูดไปนึกไปหลอกไปนานๆหลายครั้งหลายหนเข้าลงท้ายก็เกิดความเชื่อว่าอาการของตัวดีขึ้นแล้วก็ได้ผลทางกำลังใจซึ่งจะช่วยกำลังต่อสู้ต้านทานโรคภัยไข้เจ็บช่วยกำลังยาช่วยการรักษาให้ดีขึ้นเป็นผลที่ปรากฏชัดจริงๆแม้ในทางอื่นนอกจากทางโรคภัยไข้เจ็บ ก็มีนักจิตวิทยาที่พยายามเผยแพร่ลัทธิหลอกตัวเองในทางดีผู้ที่ทำความพยายามยิ่งยวดในการเผยแพร่ลัทธินี้คือศาสตราจารย์ฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อเอมิลกูเอได้แต่งตำราและเที่ยวสอนเที่ยวแนะนำว่าเมื่อตื่นขึ้นเช้าให้พูดกับตัวเองว่าวันนี้เราดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้และดีขึ้นทุกทางหมายความว่าในทางโชคลาบทางตำแหน่งฐานะในทางสุขภาพและอื่นๆ แต่เป็นการแปลกประหลาดที่ว่าลทัทธิอันนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าใดนักทั้งๆ ท, ที่เชื่อในหลักการและเหตุผลว่าอาจจะเป็นได้จริงก็ยังเป็นแต่เรื่องหลอกตัวเองเมื่อยังไม่มีอะไรดีจริงๆหรือยังไม่เห็นทางว่าจะมีอะไรดีก็ไม่สมัครใจที่จะหลอกตัวเองไปในทางนั้นแต่ส่วนอีกทางหนึ่ง คือการหลอกตัวเองไปนในทางร้ายนั้นมนุษย์เราชอบทําคือชอบคิดเหตุร้ายอย่างนี้จะเกิดขึ้นอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้จะมาถึงตัวทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเหตุผลหรือวิแววอะไรก็ยังสามารถหลอกตัวเองในทางนี้ได้ที่เป็นดังนี้ก็เพราะสัญชาตญาณของมนุษย์เองทางสังคมวิทยาให้หลักว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วยมีสัญชาตญาณอยู่สองอย่าง ซึ่งเกิดขึ้นโดยอุปนิสัยไม่จำเป็นต้องสอนกันคือสัญชาตญาณสืบพันธ์อย่างหนึ่งและสัญชาตญาณปลอดภัยอย่างหนึ่งด้วยสัญชาตญาณสองอย่างนี้จึงสามารถสืบพันธ์และดำรงชีวิตต่อเนื่องกันมาได้จนกระทั่งถึงบัดนี้เรื่องต้นคือเรื่องสัญชาตญาณสืบพันธ์ไม่ใช่หน้าที่ของหนังสือเล่มนี้แต่เป็นเรื่องที่สอง คือเรื่องสัญชาตญาณปลอดภัยนั้นก็เป็นบอ่อเกิดแห่งการที่มนุษย์คิดหลอกตัวเองในทางร้ายคือสัญชาตญาณปลอดภยัยทำให้เกิดการระแวงภยัยสัญชาตญาณที่ต้องการพ้นภยัยทำให้มนุษย์เราคิดไปถึงภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวอันที่จริงความคิดอย่างนี้ถ้าเป็นแต่เพียงความคิดรอบคอบระมัดระวังก็จะต้องนับว่าเป็นทางดีคือเป็นความไม่ประมาท แต่มนุษย์เรามักจะคิดมากเกินไปคิดไปจนกระทั่งกลายเป็นความเชื่อและเกิดความหวาดระแวงขึ้นเนื่องจากเรื่องนี้เองที่วางเผยแพร่ะละทัทธิใหม่ของพวกครูบาอาจารย์ทางจิตวิทยาว่าแทนที่มนุษย์จะหลอกตัวเองในทางร้ายให้หลอกตัวเองในทางดีบ้างผลดีจะบังเกิดขึ้นการหลอกตัวเองในทางดีได้เช่นเดียวกับที่ผลร้ายย่อมบังเกิดขึ้นจากการหลอกตัวเองในทางร้ายนั้น ไม่ประสบผลสำเร็จอย่างที่ปรารถนาเพราะสัญชาตญาณปลอดภัยยังทำให้มนุษย์ระแวงภยัยและชอบหลอกตัวเองในทางร้ายมากกว่าที่จะยินดีวิธีการใหม่คือหลอกตัวเองในทางดีคือจูงจิตหรือสเก็ชั่นนั้นก็คือการหลอกตัวเองหรือถูกคนอื่นหลอกการพิสูจน์ทดลองก็ดีเรื่องที่บังเกิดขึ้นก็ดีได้ให้ความรู้แปลกๆแกเราในเรื่องนี้นายแพทย์ชาวเดนมาร์กคนหนึ่งเล่าว่า ที่นิ้วมือของเขาเองไม่รู้ว่าจะเป็นที่กระดูกเคลื่อนหรือมีความพิกลพิการอยู่อย่างไรเมื่อใช้นิ้วมือเคาะเข้าก็มีเสียงผิดแปลกกว่านิ้วมือของคนทั้งหลายคือมีเสียงดังลั่นผิดธรรมดาอยู่ในนิ้วมือของตัวเองเขาเป็นแพทย์และใช้นิ้วมือนี้เคาะตรวจคนไข้ทั่วๆไปบางคนก็สังเกตเห็นผิดแปลกบางคนก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่มาวันหนึ่งมีสตรีผู้หนึ่งซึ่งเขาไม่เคยรู้จักและไม่เคยพบมาแต่ก่อนเลย มาหาเขาบอกว่าเป็นโรคปรวดศีรษะรุนแรงมาตลอดเวลาห้าปีและได้ทำความพยายามรักษาโดยแพทย์หลายคนด้วยวิธีการหลายอย่างโรคปรวดศีรษะเรื้อรังอันนี้ก็ไม่หมดไปและเนื่องจากโรคปรวดศีรษะอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ทำให้สตรีผู้นี้ไม่สามารถจะประกอบกิจการงานอะไรได้นอกจาก จะเป็นอันตรายแก่สุขภาพของเธอเองแล้วยังเป็นอันตรายต่อค่าครองชีพและความเป็นอยู่ตลอดถึงการทำมาหากินด้วยนายแพทย์ผู้นั้นได้ใช้นิ้วเคาะที่ศีษะของสตรีผู้นั้นโดยไม่มีความมุ่งหมายอย่างอื่นนอกจากการตรวจตามธรรมดาแต่นิ้วซึ่งพิกลพิการอยู่นั้นเมื่อไปเคาะที่แข็งเช่นศีษะก็มีเสียงดังลั่นมากขึ้นกว่าการเคาะตามเนื้อตัวและเป็นธรรมดาของผู้ที่ถูกเคาะสีษะ แม้เสียงโดยปกติก็ทําให้เกิดความกังวลได้เมื่อนิ้วที่ไม่ปกติของแพทย์ผู้นี้ไปเคาะเข้าสตรีผู้ที่ถูกเคาะนั้นก็รู้สึกมีอะไรดังลั่นผิดปกติที่ศีรษะของตนเธอพูดออกมาทันทีว่าเพียงแต่แพทย์เคาะที่ศีรษะนั้นอาการปวดศีรษะก็บรรเทาลงไปนายแพทย์ผู้นั้นเข้าใจทันทีว่านี่เป็นเรื่องจูงจิตจึงได้บอกแก่สตรีผู้นั้นว่าวันหลังให้มารักษาด้วยวิธีนี้ใหม่สตรีผู้นั้นมาหาแพทย์ตามคําสั่ง และแพทย์ก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากเคาะอย่างเดียวกับวันก่อนรักษาอย่างนี้2อถึงสครั้งเท่านั้นโรคปวดศรีรษะของสตรีผู้นั้นก็หายขาดไม่ปวดอีกต่อไปนี้ก็เป็นการจุงจิตหรือการหลอกสตรีผู้นี้ได้ถูกหลอกโดยไม่มีใครตั้งใจหลอกความรู้สึกของเธอได้หลอกตัวเธอเองคือเมื่อถูกนิ้วพิการของนายแพทย์เคาะที่ศรีรษะและมีเสียงดังลั่นผิดธรรมดา ก็มีความรู้สึกเหมือนอย่างว่าในสมองของตนนั้นเดิมมีอะไรไปขัดค้างกันอยู่ซึ่งในแพทย์ผู้นั้นมีความรู้อย่างสูงรู้ที่ข้อให้สิ่งขัดค้างนั้นเลื่อนออกจากกันความรู้สึกสบายได้มีขึ้นทันทีและหายปวดศรีรษะได้ด้วยวิธีการรักษาอย่างบังเอิญเช่นนี้ ถ้าเราเป็นทหารที่ต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกลหรือเป็นเวลานานเช่นการสวนสนามหรือกินเวลานับเป็นชั่วโมงชั่วโมงรวมทั้งการยืนคอยและการเดินแถวหรือถ้าเราต้องเดินขบวนอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้ามีดนตรีทำเพลงให้เราเดินไปความเหน็ดเหนื่อยจะน้อยกว่าที่เราจะเดินเงียบๆโดยไม่มีดนตรีบรรเลงให้ถ้าการสวนสนามใหญ่ๆซึ่งทหารต้องยืนหรือต้องเดินอยู่ตั้งหลายชั่วโมงนั้น ทำกันโดยปราศจากดนตรีทหารอาจจะล้มกันมากๆหรือการเดินก็จะไม่เข้มแข็งงามสงา่าความเหนื่อยอ่อนจะมีได้มากมายดนตรีทําให้เหนื่อยน้อยดนตรีทําให้คึกคักเข้มแข็งดนตรีทําให้เกิดกําลังต่อต้านความเหน็ดเหนื่อยได้เป็นอันมากทําไมดนตรีจึงทําได้เช่นนั้นแตรวงซึ่งประกอบด้วยโลหะและคนเป่าลมเข้าไปทําให้เกิดเสียงต่างๆมีริทมีเดตอะไรที่ไปบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยหรือเพิ่มกําลังมนุษย์ ถ้าเป็นยาที่รับประทานหรือฉีดเข้าไปในร่างกายเรายงพอเข้าใจได้ง่ายแต่นี่เป็นเพียงเสียงที่เข้าไปทางหูทำไมจึงไปช่วยให้เหนื่อยน้อยหรือเพิ่มกำลังขึ้นได้เรื่องนี้เราเข้าใจกันทั่วไปว่าเสียงดนตรีทำให้เคลิบเคลิ้มหรือเพลิดเพลินลืมนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยเราจึงเหนื่อยน้อยนี้เป็นคำอธิบายโดยทัท่วไปซึ่งก็ไม่ผิดแต่ถ้าจะอธิบายให้ถูกแท้ก็ต้องอธิบายมาในเรื่องของการจูงจิตคือเสียงดนตรีนั้นจูงจิต หรือหลอกทหารทั้งกองทัพที่ทําการสวนสนามว่า น, นี่ไม่ใช่เรื่องงานเหน็ดเหนื่อยแต่เป็นเรื่องสนุกสนานเมื่อถูกจุงจิตหรือหลอกลวงเข้าอย่างนี้การสวนสนามซึ่งเป็นของเหน็ดเหนื่อยอย่างที่สุดนั้นก็กลายเป็นของสนุกและเมื่อสนุกก็ไม่เหนื่อยนักเล่นบินเลียดอาจจะเดินอยู่ ร, บรอบๆโต๊ะบินเลียดได้ตั้งสีชั่วโมงและทางที่เขาเดินอยู่ ร, บรอบๆโต๊ะบินเลียดตั้งสีชั่วโมงนั้นถ้าเขาเอามาเหยียดออก ก็จะเป็นความยาวตั้ง 20- ่สหรือสากิโลเมตรนักเต้นรําอาจจะเต้นเกือบไม่ได้หยุดพักหรือหยุดพักเพียงเล็กน้อยในระหว่างเวลาตั้ง6กถึงเชั่วโมงทางที่เขาเดินอยู่บนพื้นที่ห้องเต้นรํานั้นถ้าจะลองยืดออกไปอาจจะได้ทางยาวตั้งห้กิโลเมตรเขาเดินได้เขาเต้นไปได้โดยไม่รู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าจะจับเอาตัวนักบินเลียดหรือนักเต้นรํานั้นไปเดินทางจริงๆ เพียงสิกิโลเมตรเขาจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเหลือเกินการเต้นรําก็ดีบินเลียดหรือกีฬาอื่นๆก็ดีล้วนทําความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าให้แก่ร่างกายแต่ผู้ที่เล่นสนุกสนานไม่รู้สึกก็เพราะเหตุที่ถูกจูงใจไปในทางอื่นถูกจูงจิตไปในทางรื่นเริงสนุกสนานการถูกจูงจิตนั้นมีเหตุทําให้ร่างกายทนทานความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าได้อย่างแปลกประหลาดมากและเรื่องเช่นนี้เองที่ทําให้นักคิดคน้น เกิดความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลว่าทำไมเล่ามนุษย์จึงไม่หาทางจุงจิตไปในทางที่จะเป็นความดีหรือเป็นประโยชน์อันที่จริงเรื่องการจุงจิตนี้มนุษย์เราก็มีความรู้มาช้านานแล้วและรู้กันทุกแห่งหนเรื่องการทำน้ำมนตดังกล่าวมาในบทที่หนึ่งนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะคนโบราณดึกดาบรนหรือชาวตะวันออกแม้ในยุโรป ก, ก็ทากันผู้ที่มีชื่อเสียงมากคือคุณนางรัเสเซียผู้หนึ่ง ในสมัยที่รัเสเซียยังปกครองโดยสมบูรณาญาสิทธิราชบุคคลผู้นี้ชื่อบารอนบริสกีอยู่ในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งกระโนนรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บหลายอย่างได้ด้วยการเอาน้ำในแม่น้ำเนวามาทำพิธีอย่างทำน้ำมนต์ซึ่งท่านผู้นี้เองก็สารภาพว่าไม่ได้เป็นเวทมนต์อะไรเป็นแต่จุงจิตคนป่วยไข้ว่าวิธีการอย่างนี้จะสามารถทาให้โรภคภัยไข้เจ็บของเขาหายไปได้ นายแพทย์ชานปิญยองชาวฝรั่งเศสได้ยืนยันความคิดเห็นของตนซึ่งนักประวัติศาสตร์หรือนักโบราณคดีก็ไม่คัดค้านหรือหักล้างนายแพทย์ผู้นี้แสดงความเข้าใจของตนว่าเครื่องประดับคอของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาตั้งแต่มนุษย์ดึกดำบันป่าเถื่อนลงมาถึงพวกกรีกพวกโรมัน ที่ทําเป็นลวดลายรู ป, ปรพันธ์อย่างสวยงามก็ดีที่ประดับด้วยเพชพรพลอยต่างสีหรือด้วยหินหรือด้วยกระดูกสัตว์ชนิดใดๆก็ดีมีมูลมาจากเหตุอันเดียวคือในชั้นเดิมของเหล่านี้เป็นเครื่องคุ้มภัยเขี้ยวสัตว์ที่มนุษย์ใช้แขวนคอบางทีก็เป็นพวงใหญ่โตมากมายเพราะเป็นเขี้ยวสัตว์ร้ายนานาชนิดก็โดยความเชื่อว่าเขี้ยวสัตว์เหล่านั้นสามารถจะป้องกันสัตว์ด้วยกันไม่ให้ทําร้าย มนุษย์ชอบเอากระดูกงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดมาร้อยห้อยคอเพราะเชื่อว่าจะป้องกันไม่ให้งูร้ายขบกัดรูปร่างของจี้เครื่องประดับคอที่ทำรูปประพันธ์ลวดลายอย่างสวยงามนั้นมีมูลมาจากเครื่องเดียวคือแผ่นโลหะหรือหินที่ลงเลขยันแม้แต่เพชรพลอยหรือหินมีค่าต่างๆมีตำราโบราณของมนุษย์ทุกชาติว่าพลอยสีนั้นจะเป็นหินชนิดนั้นๆจะให้ผลในทางโชคลาบอย่างนั้นๆและมีเป็นอันมาก ที่ถือกันว่าต้องแต่งเพชรพลอยให้ถูกสีตามกำลังวันอาทิตย์ใส่สีนั้นวันจันทร์ใส่สีนี้ก็เป็นเรื่องของจุงจิตนั่นเองคือจุงจิตให้เชื่อว่าของเหล่านี้สามารถจะนำลาภผลหรือโชคชัยมาให้เมื่อใช้กันมามากๆเข้าการคิดประดิษรูปร่างก็ทําได้สวยงามยิ่งขึ้นทุกทีเลยกลายเป็นเครื่องประดับที่ไม่สามารถจะขาดได้จนทุกวันนี้เครื่องอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราที่ประดับยศ ก็ไม่ใช่อะไรอื่นประวัติดั้งเดิมของเหรียญตราก็เป็นของที่พระให้ก่อนผู้อื่นเหรียญตรารุ่นแรกๆของโลกนั้นสำนักต่างๆทางาศาสนาเป็นผู้สร้างขึ้นและไม่มีความหมายอย่างอื่นนอกจากเป็นเครื่องรางเท่านั้นเองเครื่องอิเริยาพร์ที่ฝรั่งเรียกว่า order นั้นคำว่า o r อร์นี้ไม่ได้แปลว่าคาสั่งหรือระเบียบหรือลำดับที่จริงแปลว่าสานัก หมายถึงสำนักในทางศาสนาอิสริยาภรณ์อันหนึ่งหนึ่งแต่เดิมมาก็เป็นเครื่องรางของสำนักนั้นสำนักนี้แต่เมื่อฝีมือการช่างเจริญขึ้นทำของเหล่านี้ให้สวยงามยิ่งขึ้นและในสมัยที่พระมหากษัตริย์แย่งอํานาจมาจากพระเครื่องอิสริยาภรณ์ก็กลายเป็นของที่พระมหากษัตริย์พระราชทานและกลายเป็นเครื่องประดับยศซึ่งความจริงในชั้นเดิมนั้นก็เป็นเครื่องรางเครื่องคุ้มภยัยเครื่องให้โชคกลางรวมความว่า เป็นเครื่องจูงจิตจูงจิตให้คนคิดว่าถ้ามีของอย่างนี้อยู่แล้วก็จะปลอดภัยป้องกันอันตรายป้องกันโรคบรรดาลโชคลาภให้ซึ่งเป็นการจุงจิตให้คิดในทางดีและก็อาจจะได้ผลดีจริงๆพวกพระในสมัยโบราณรู้กดเรื่องการจุงจิตนี้ดีกว่าคนพวกอื่นทั้งสิน้นจึงสามารถได้อํานาจอิทธิพลและความนิยมนับถือมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นการประหลาดอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่จะทํามนุษย์ให้เกิดความจุงจิตในทางดีนั้น ต้องมีเครื่องล่อเช่นเครื่องรางอย่างที่กล่าวข้างตน้นส่วนเรื่องจุงจิตในทางร้ายนั้นมนุษย์ทําได้เองโดยไม่ต้องมีอะไรล่อคือคิดไปในทางร้ายแล้วผลร้ายก็เกิดขึ้นจริงๆความบังเอิญอีกประการหนึ่งคือผลร้ายนั้นมักบังเกิดขึ้นเร็วอาจจะเกิดขึ้นในทันทีทันใดเป็นความแปลกประหลาดมหัศจรรย์มนุษย์จึงเชื่อและหวาดกลัวมากนายแพทย์เยอรมันคนหนึ่งชื่อชไลได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบมาด้วยตนเอง เป็นเรื่องที่ทําความพิศวงงงงานให้แก่เขาสตรีผู้หนึ่งเป็นฮิตเทียร์มีปกติต้องร้องกรีดกราดโวยวายร้องว่ามีอะไรมาทําอันตรายแก่ตนโดยไม่มีมูลความจริงและความกําเริบถึงโรคฮิตเทียร์นี้ได้มีขึ้นเป็นบางครั้งบางขณะตามปกติเป็นคนดีๆเรียบร้อยพอโรคนี้กําเริบขึ้นก็มีความคลุ้มคลั่งโวยวายกรีดกราดไปพักหนึ่งผู้ปกครองของสตรีผู้นี้ได้มอบตัวให้อยู่ในความดูแลของนายแพทย์ชัยอย่างใกล้ชิด วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่คาดหมายว่าโรคฮิตเทีเรียจะกำเริบนายแพทย์ผู้นี้ก็คอยเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆสตรีผู้นั้นเขาเฝ้าดูตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลากำเริบพอถึงเวลาเข้าความกำเริบของโรคก็ปรากฏขึ้นมาจริงๆสตรีผู้นั้นร้องกรีดราดและบอกว่าพึ่งมูใหญ่บินเข้ามาในห้องที่เขานั่งอยู่ซึ่งความจริงในห้องนั้นไม่มีพึ่งหรือมแมลงอะไรเลยสักเล็กน้อยสตรีผู้นั้นร้องบอกให้นายแพทย์ช่วยเปิดหน้าต่าง เพื่อให้พึ่งบินออกไปเสียให้หมดนายแพทย์ผู้นั้นก็ไปเปิดหน้าต่างให้ตามความต้องการความกริดกราดของสตรีผู้นั้นก็เบาลงเพราะเชื่อว่าพึ่งได้บินออกไปแต่ประเดี๋ยวก็กลับกรีดกราดขึ้นมาใหม่บอกว่ายังเหลือพึ่งอยู่และถูกพึ่งต่อยที่ในตานายแพทย์ได้ตรวจดูที่ตาก็ไม่มีอะไรแต่ความเอะอะโวยวายและร้องเจ็บปวดเนื่องจากถูกพึ่งต่อยที่ตาก็ยังมีอยู่อีกพักใหญ่พอเสียงร้องสงบไปนายแพทย์นั้นเอง ก็ต้องพิศวงงงงานเพราะที่ขอบตาล่างของสตรีผู้นั้นนูนปลนขึ้นมาเท่ากับไข่ไก่มีสีแดงและมีความร้อนผ่าเหมือนถูกพึ่งหรือมแมลงร้ายต่อยเมื่อความกำพร้บของฮิตทีเรียผ่านไปแล้วความนูนแดงที่ในตานั้นก็มีอยู่และสตรีผู้นั้นก็ร้องว่าเจ็บและปวดนายแพทย์ต้องรักษาอาการนูนแดงที่ในตานั้นด้วยวิธีรักษาพิษมแมลงคือต้องรักษาเหมือนอย่างสตรีผู้นั้นถูกพึ่งต่อยจริงๆ นี่คือเรื่องการจุงจิตในทางร้ายให้ผลร้ายอย่างแปลกประหลาดมหัศจารร์จะเห็นผลในทันทีทันใดเป็นที่แน่ใจว่าตัวอย่างในทางดีหาได้ยากกว่าตัวอย่างในทางร้ายและเห็นจะเป็นด้วยเหตุนี้ที่คนไม่เลื่อมใสในข้อแนะนําของนักจิตวิทยาให้ทําการจุงจิตตนเองในทางดีผลดีมองไม่ค่อยเห็นทดลองไม่ค่อยได้ไม่สามารถจะพิสูจน์ให้เห็นง่ายเหมือนเรื่องที่เกิดในทางร้ายแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นได้ว่า กฎเรื่องจุงจิตนี้มีได้เท่ากันทั้งในทางร้ายและทางดีในการฟังปฐาฐกถาการดูละครหรือดูของสนุกสนานอย่างหนึ่งอย่างใดถ้ามีคนหัวเราะง่ายอยู่สักสองคนจะพาคนอื่นๆหัวเราะได้มากๆเรื่องขบขันน้อยจะกลายเป็นขบขันมากไปก็ได้ในสโมสรสมาคมหรือการร่วมสนทนาถ้ามีคนที่มีนิสัยร่าเริงสนุกสนานอยู่ด้วยก็จะให้ความสนุกสนานกันไปทั้งหมดในยามสงคราม ขณะที่ทหารต้องลำบากตรากตรำและเสี่ยงชีวิตอยู่ภายใต้เสียงปืนถ้ามีคนสนุกสนานอยู่ด้วยสักคนหนึ่งทำอะไรหรือพูดอะไรให้เพื่อนหัวเราะร่าเริงอยู่เสมอจะทำให้เพื่อนทุกคนเห็นชีวิตเสี่ยงภัยในสนามรบใลายเป็นชีวิตรักสนุกหรือเพิ่มพูนความกล้าหาญยิ่งขึ้นอีกก็ได้เรื่องชนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mass a c t i แปลว่าการจุงจิตหมูค่คนซึ่งเป็นปัญหาสาคัญอันหนึ่งในสังคมวิทยา ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปมักมีการเดินขบวนแสดงความปรารถนาอย่างหนึ่งอย่างใดที่เรียกว่า d e m o n นส a ตช o n ตัวอย่างเช่นข้าราชการหรือคนงานรู้สึกว่ารายได้น้อยไม่พอแก่การครองชีพต้องการจะให้รัฐบาลหรือนายจ้างเพิ่มรายได้ให้ในชั้นต้นก็มักจะมีการเจรจากันโดยแต่งตั้งหัวหน้าหรือกรรมการของคนพวกนี้ไปทาการเจรจากับรัฐบาลหรือนายจ้างถ้าการเจรจาไม่เป็นผลสาเร็จและทาาพวกนั้น จะยังทำความพยายามกันต่อไปก็มักจะทำกันสองอย่างทางหนึ่งคือการหยุดงานที่เรียกว่า s t r i e เรื่องหยุดงานหรือ s t ต i e อาจจะผิดกฎหมายในบางกรณีและถ้าทำไม่พร้อมเพียงกันจริงๆอาจจะเกิดความผ่ายแพ้เป็นผลเสียหายขึ้นได้อีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันมากคือการเดินขบวนหรือที่เรียกว่า demonstration ได้แก่การที่บุคคลเหล่านี้ ชักชวนกันเดินเป็นหมู่ใหญ่ส่งเสียงร้องพร้อมๆกันว่าต้องการอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีก็มีเขียนป้ายแห่แหนกันไปการกระทําในทางนี้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายเพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นซึ่งในประเทศที่ปกครองโดยรัฐธรรมนูญจะต้องถือเป็นลทัทธิอันหนึ่งของประชาชนเรื่องผิดกฎหมายในการเดินขบวนนี้อาจจะมีขึ้นได้เพียงเรื่องเดียวคือผิดกฎหมายจาราจรซึ่งก็ไม่เป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยง เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในประเทศฝรั่งเศสราวสาสิบปีมาแล้วได้เห็นการเดินขบวนอย่างนี้บ่อยๆในกรุงปารีสและก็ให้ความรู้ว่าการจุงจิตทำได้อย่างไรการเดินขบวนตามปกติไม่ได้เริ่มต้นด้วยหมู่คนมากมายที่จริงเริ่มต้นด้วยหมู่คนน้อยๆอย่างมากก็เพียงจำนวนน้อยแต่ต่อมาไม่ช้าก็ได้หมู่ใหญ่เป็นจำนวนพันจำนวนหมื่นเพราะมีคนผสมเข้าไปพวกที่เข้าผสมด้วยนั้นก็อาจมีที่อยากรู้อยากดูอยากสนุกด้วย แต่พวกนั้นก็เดินไปกับเขาได้เป็นหนทางไกลเป็นการยากที่จะเข้าใจว่าคนเราจะยอมเสียเวลายอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อต้องการอย่างเดียวคือที่จะดูการเดินขบวนเท่านั้นข้อควรสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ผสมเข้าไปในหมู่นั้นพอเข้าไปในหมู่แล้วก็มีท่าทางแข็งขันส่งเสียงร้องและทําตามอย่างพวกที่ทําอยู่ก่อนเหมือนอย่างว่าตัวเป็นผู้รับเคราะห์หรือเป็นผู้เริ่มคิดเองไม่ต้องสงสัยเลย การที่เป็นเช่นนี้เป็นด้วยอำนาจของการจุงจิตคือเมื่อตกเข้าไปอยู่ในหมู่อย่างนั้นแล้วความร้อนแรงก็เกิดขึ้นมาเองแม้คนที่ไม่เห็นชอบด้วยกับการกระทำอย่างนั้นมาแต่ต้นถ้าไปเข้าหมู่เข้าก็อาจจะรักแรงแข็งชอบเหมือนอย่างว่าตัวเห็นชอบหรือเป็นความคิดความเห็นของตัวได้ข้าพเจ้าได้เคยเห็นเองครั้งหนึ่งเรื่องการเดินขบวนของเงินเดือนขึ้นในกรุงปารีสใกล้ๆสถานทูตไทยที่กรุงปารีสมีองค์การใหญ่อันหนึ่ง มีคนงานนับจำนวนพันคนงานขององค์การนี้ได้รับเงินเดือนขนาดดีอยู่แล้วเวลาที่คนงานพวกอื่นมาชักชวนไปเดินขบวนด้วยหัวหน้าของคนงานในองค์การนี้ไม่ยอมเข้ามีส่วนด้วยและไม่มีใครในองค์การนี้จะสมัครใจเข้ามีส่วนเพราะการที่จะตั้งแถวเดินขบวนไปตลอดความยาวของถนนใหญ่ ใ, หญในกรุงปารีสนั้นเสียเวลาเสียงานเมื่อขาเปล่าซ้ำจะเกิดผลร้ายในตัวต้องออกจากงานซึ่งได้รับเงินเดือนค่าจ้างดีอยู่แล้วก็ได้ พวกเดินขบวนรู้อยู่ว่าคนงานในองคการนี้ไม่ร่วมมือด้วยและก็รู้เหมือนกันว่าถ้าเอาคนงานในองการนี้เข้ามาร่วมมือด้วยได้คำร้องของเขาในเรื่องของเงินขึ้นจะมีน้ำหนักมากพวกเดินขบวนซึ่งมีจำนวนไม่กี่ร้อยคนได้พากันเดินมาที่หน้าองการนี้เรียกร้องให้คนงานขององค์การให้ออกไปร่วมเดินขบวนด้วยพวกคนงานในองการนี้ก็คงทางานเรื่อยไป เสียงร้องที่พวกเดินขบวนร้องเรียกอยู่ข้างนอกนั้นเขาคิดคำพูดเพียงสองถึงสามคำร้องพร้อมกันร้องอยู่เรื่อยไปพวกข้างในโ p r o หน้าต่างดูบ้างพวกหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาก็พยายามเรียกให้ทํางานต่อไปอย่างเรียบร้อยกําลังตํารวจในสถานที่ใกล้ๆได้ถูกขอร้องให้มาคอยระวังรักษาเหตุการณ์ในระหว่างพวกเดินขบวนและที่ทําการขององค์การนั้นมีตํารวจเรียงรายอยู่เป็นแถวพวกเดินขบวนก็ร้องเรียกไปตํารวจก็ยืนเฝ้าไป พวกข้างในก็ทํางานกันไปตํารวจจะจับกลุ่มพวกที่มาร้องเรียกนั้นก็ไม่ได้เพราะพวกนั้นไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเป็นแต่แสดงความคิดเห็นอันเป็นลทัทธิตามรัฐธรรมนูญถ้าพวกนั้นยังไม่ก่อเหตุร้ายอะไรขึ้นเช่นบุกรุกเข้าไปฉุดเอาคนในสํานักงานหรือทําความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดตํารวจก็จับกลุ่มไม่ได้หรืออีกอย่างหนึ่งถ้าพวกที่ทํางานอยู่ในองค์การนั้นจะเต็มใจออกไปหาพวกที่เรียกร้องและเดินขบวนกันต่อไป ตำรวจก็ห้ามไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นลทัทธิเรื่องแสดงความคิดเห็นภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงพวกที่เดินขบวนซึ่งมีจำนวนคนไม่มากเท่าใดนักมาทำความพยายามเรียกร้องเกิดมีคนสองถึงสคนในองค์การนั้นออกไปเข้าขบวนคนอื่นๆตามออกไปอีกตามออกไปมากทุกทีในที่สุดคนงานในองค์การนั้นทั้งองค์การพลอยเข้าขบวนไปด้วยเป็นอันว่าพวกเดินขบวนมีผู้เข้าร่วมอีกหลายพันคนนี่เป็นเรื่องการจุงจิต ซึ่งผู้รู้ทางจิตวิทยาได้ให้หลักไว้ว่าการจูงจิตคนคนเดียวกับการจูงจิตคนหมู่มากนั้นต้องใช้วิธีการผิดกันการจูงจิตคนแต่ละคนต้องทำด้วยเหตุผลต้องให้เขาเข้าใจเหตุผลให้เกิดความเห็นดีเห็นชอบแต่การจูงจิตคนหมู่มากหมู่ใหญ่นั้นความสะเทือนใจคืออิโมชั่นสำคัญกว่าเหตุผล ในการเดินขบวนก็ดีการหยุดงานก็ดีหรือแม้แต่การจลาจลการปฏิวัติที่ทำโดยหลายหมื่นหลายพันคนนั้นอันที่จริงก็เริ่มด้วยจำนวนคนเพียงเล็กน้อยพวกที่เข้าผสมด้วยในภายหลังมีจำนวนมากมายหลายเท่าตามธรรมดาเราเข้าใจกันว่าเป็นเพราะเห็นทางสำเร็จทางชนะจึงพากันเข้ามาร่วมแต่ก็ไม่เป็นไปอย่างนี้เสมอไปเพราะในบางกรณีสามารถจะเรียกร้องเอาความร่วมมือของคนหมู่ใหญ่ทั้งที่ยังไม่แน่ว่า จะกระทานั้นจะประสบผลสำเร็จหรือความมีชัยและในบางการณีมีคนเข้าร่วม ท, ท, ท, ทั้งที่รู้ว่าเป็นการผิดกฎหมายและจะต้องรับโทษทันโดยไม่มีทางรอดทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใดในทางจิตวิทยาที่เรียกว่าจิตวิทยาเกี่ยวกับหมูค่คนแม s p s ค c h o l อ g y อธิบายว่าคนที่เข้ามาร่วมด้วยนั้นมีลักษณะเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมีลักษณะที่เรียกว่าโพและอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเนกาที Negative. ผู้โพสตทีมนั้นเข้ามาร่วมด้วยความเห็นดีเห็นชอบและเมื่อเข้ามาร่วมงานแล้วก็ทํางานอย่างเสี่ยงภัยด้วยทํางานด้วยยอมรับผลร้ายที่จะบังเกิดขึ้นทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าการทําเช่นนั้นจะเกิดผลร้ายถ้าเป็นลําพังเขาคนเดียวเขาจะไม่กล้าทําเช่นนั้นหรือถ้าจะให้คนแต่ละคนพร้อมเพรียงกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวแล้วจึงมาร่วมกันก็ไม่เป็นผลสําเร็จเพราะถ้าปล่อยให้คิดแยกกันอยู่แต่ละคนก็จะตัดสินใจยาก เพราะคนเราเมื่ออยู่โดยลำพังย่อมจะนึกถึงตัวเองมากกว่าคนอื่นไม่กล้าตัดสินใจคนเดียวแต่ถ้าเห็นคนหมู่หนึ่งทําแล้วเข้าไปอยู่ในหมู่แล้วความคิดถือตัวหรือเห็นแก่ตัวก็น้อยลงไปกลายเป็นเรื่องของหมู่เรื่องของส่วนรวมและความรักแรงแข็งชอบตลอดถึงความเสียสละก็มังเกิดขึ้นเต็มที่ส่วนพวกที่สองคือพวกเนกาทีฟเป็นพวกที่กล้าทาโดยเห็นว่าเป็นการกระทาของคนหมู่มาก คงไม่มีใครรู้จักหรือจําได้หรือรู้ตัวไปทุกคนถ้าหากว่าการกระทำอ น, นั้นเป็นผลสําเร็จตัวเองก็อาจจะแสดงตัวออกมาและพลอยรับผลดีด้วยถ้าไม่สําเร็จก็อาจจะมีทางหลีกเลี่ยงปฏิเสธว่าตัวไม่ได้มีส่วนในการกระทํานั้นเพราะในหมู่คนนับพันนับหมื่นใครจะรู้จักและจําไปได้ทุกคนพวกเนกาทีฟนี้ก็มีอยู่เป็นอันมากแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องศึกษาเรื่องที่เราพึงศึกษาสําหรับการจุงจิตนั้น คือพวกแรกได้แก่พวกโพสิทีฟพวกนี้อาจจะไม่มีเรื่องราวอะไรมาแต่ต้นไม่มีส่วนได้เสียกับการกระทําของคนหมู่ใหญ่นั้นหรืออาจจะไม่เห็นชอบด้วยมาแต่ต้นก็ได้แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆเมื่อคนหมู่ใหญ่ได้ลงมือกระทําการเข้าจริงๆก็เกิดความรู้สึกอย่างเดียวกับคนในหมู่ใหญ่นั้นเข้ามีส่วนด้วยลงมือกระทําการด้วยบางทีก็ทําแข็งแรงยิ่งกว่าผู้เป็นเจ้าของเรื่องเสียอีก อาจจะยอมเสี่ยงภัยอันตรายมากกว่าผู้เริ่มคิดเองก็ได้ทั้งนี้เป็นผลของการจุงจิตมีเรื่องเกิดขึ้นในประเทศเยอรม น, นีเมื่อหลายสิบปีมาแล้วในเมืองไลปสติกซึ่งเป็นแหล่งการศึกษาแห่งสําคัญแห่งหนึ่งของเยอรม น, นีมีมหาวิทยาลัยซึ่งมีชื่อเสียงมากและภายในเมืองนั้นทราบกันว่ามีซ่องโสเพณีลับอยู่ถึงสามแห่งและในสามแห่งนี้ได้มีการหลอกล่อชักจูงเอานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าไปบำเรอชาย ตามวิธีการของโสเพณีพวกนักศึกษาชายได้พยายามสอบสวนเรื่องราวจนมีหลักฐานแน่นอนว่าเป็นความจริงมีนักศึกษาหญิงหลายคนต้องเข้าไปเป็นเหยื่อแห่งซ่องทั้งสามนี้และเป็นโดยถูกหลอกลวงหรือโดยความจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือด้วยความสมัครใจของตนเองก็ตามทีแต่ก็เป็นความจริงว่าเรื่องเช่นนี้ได้มีอยู่จริงทางมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ การที่จะจับตัวนักศึกษาหญิงมาไต่สวนพร้อมด้วยหลักฐานจนยอมสารภาพและไล่ออกจากมหาวิทยาลัยก็จะทําให้เสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงพวกนักศึกษาชายจึงพยายามหาทางอื่นโดยเข้าชื่อกันเรียกร้องต่อข้าหลวงประจำจังหวัดไลฟ์ซิกขอให้ทําลายซ่องโสเพณีรับทั้งสามนี้แต่ข้าหลวงประจำจังหวัดก็ไม่จัดการหรือไม่มีทางที่จะจัดการให้เป็นไปตามความประสงค์ของนักศึกษาได้ พวกนักศึกษาฝ่ายชายยังสอบสวนได้ความต่อมาอีกว่าซ่องโสเพณีรับทั้งสามแห่งนี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของข้าหลวงประจําจังหวัดเสียด้วยซ้ําเมื่อไม่มีทางจะกู้หรือป้องกันชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้วยวิธีอื่นพวกนักศึกษาชายก็ตกลงใจยอมเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ตนและใช้วิธีรุนแรงด้วยการชักจูงของนักศึกษาที่ใจแข็งเป็นจํานวนเพียงสอ ง, งสคนนักศึกษาชายจํานวนพันได้พากันไปเป็นหมู่ใหญ่ พร้อมเปียงกันเข้าไปในบ้านนั้นพังทําลายประตูหน้าต่างเครื่องใช้สอยแล้วก็จุดไฟเผาโดยเหตุที่ไม่ใช่บ้านโดดเดี่ยวแต่เป็นอาคารที่สร้างเป็นแถวยาวติดต่อกันไปไยจึงลุกลามเผาบ้านไปอีกหลายบ้านเมื่อได้ทําลายและเผาแห่งหนึ่งลงไปแล้วก็พากันไปอีกแห่งหนึ่งทําอย่างเดียวกันได้ทั้งสามแห่งนับว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงมากทางบ้านเมืองต้องใช้กําลังปราบปรามอย่างเข้มแข็งนักศึกษาจํานวนมากถูกจับ และถูกลงโทษตามกฎหมายแต่ในประเทศเยอรม น, นีนั้นมหาวิทยาลัยมีฐานะสำคัญยิ่งยวดการกระทำใดๆที่เป็นการรักษาเกียรติและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยแม้จะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญาศาลมักจะตัดสินลงโทษด้วยความเห็นอกเห็นใจเรื่องที่พวกนักศึกษาชายพากันไปทำลายและเผาซ่องโสเพณีลับ เพื่อรักษาชื่อเสียงแห่งมหาวิทยาลัยของเขานั้นไม่สู้ประหลาดสําหรับประเทศเช่นเยอรมนีซึ่งเขาอบรมสั่งสอนกันมาแต่อ่อนแต่ออกว่าให้รักและเสียสละเพื่อส่วนรวมเรื่องการกระทํารุนแรงอย่างนั้นการเสี่ยงภัยและเสียสละขนาดนั้นไม่เป็นการประหลาดสําหรับคนหนุ่มๆเยอรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เขารักมหาวิทยาลัยเป็นชีวิตจิตใจของเขาแต่เรื่องประหลาดนั้นก็คือว่า ในบรรดาที่ถูกจับนั้นมีคนหนึ่งสารภาพว่าตัวได้ทำงานอย่างเข้มแข็งไม่น้อยกว่าคนอื่นได้เป็นหัวแรงในการพังทำลายในการวางเพลิงเผาและเมื่อไฟไหม้ขึ้นแล้วก็กระโดดลงจากตึกชั้นที่สองซึ่งเป็นการเสี่ยงภัยมากแต่ก็เคราะดีที่ไม่มีอันตรายบุคคลผู้นี้ไม่ใช่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ไ, ไม่ใช่คนชาวเมืองนั้น แต่มาจากที่อื่นไม่ได้เคยเกี่ยวข้องมีส่วนได้สูญเสียอย่างหนึ่งอย่างใดกับมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกับนักศึกษาหญิงที่เข้าไปประสบความเสียหายในซ่องเหล่านั้นไม่เคยรู้จักมักคุ้นกับใครในมหาวิทยาลัยนั้นเลยเขาให้การต่อเจ้าหน้าที่ว่าเขาเคยทราบเรื่องเหล่านี้มาก่อนเรื่องความไม่พอใจความเคียดแค้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีต่อซ่องรับทั้งสาแห่งนี้และต่อข้าหลวงประจําจังหวัดเขาก็ไม่ได้เก็บเอาความสนใจฝ่ายคิด เพราะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเขาไม่เคยมีจิตเอ็งเอียงเข้ากับฝ่ายไหนแต่บังเอิญในวันเกิดเหตุคือวันที่นักศึกษาได้ยอมเสี่ยงภัยทําการรุนแรงอันนี้เขาอยู่ในบริเวณนั้นและได้เห็นเหตุหการณ์ด้วยตนเองเขานึกสรรเสริญการกระทําของนักศึกษาเหล่านี้ที่ยอมเสี่ยงภัยเพื่อรักษาชื่อเสียงแห่งมหาวิทยาลัยของตนเขานึกบูชาพวกนี้ว่าเป็นพวกกล้าหาญเขาแลเห็นการกระทําอันนั้นเป็นการกระทําที่งดงามและมีเกียรติ ยิ่งกว่านั้นเขารู้สึกเครียดแค้นเจ้าของบ้านและเจ้าของซ่องตลอดถึงตัวข้าหลวงประจำจังหวัดซึ่งเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยมีมาแต่ก่อนเขาตัดสินใจในทันทีทันใดเข้าร่วมมือกับนักศึกษาโดยที่เขาเองไม่ใช่นักศึกษาและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่เขาได้ทํางานไม่แพ้นักศึกษาชั้นที่เป็นหัวหน้าเขาเสี่ยงภัยไม่น้อยกว่าคนอื่นและดูเหมือนจะมากกว่าคนอื่นเสียด้วยซ้ําเมื่อการเผาทําลายซ่องหนึ่งเสร็จลงไปแล้ว พวกนักศึกษาภาพกันไปอีกสองแห่งเขาก็อยู่ในจำพวกที่นำหน้าและทำงานเข้มแข็งไม่แพ้คนอื่นเช่นเดียวกันเรื่องที่เล่ามานี้เป็นตัวอย่างอันดีในปัญหาเรื่องจูงจิตคือไม่แต่จะจูงให้พลอยผสมทำไปด้วยความรู้สึกสนุกเช่นนั้นยังสามารถจูงใจให้เกิดความเครียดแค้นซึ่งไม่เคยมีและในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวไม่ใช่จะจูงให้ทาเพียงเล่นๆแต่จูงให้ยอมเสี่ยงภัยอย่างร้ายแรง และคนผู้นี้ก็ถูกสารพิพากษาลงโทษแรงกว่าคนอื่นที่เป็นนักศึกษาเรื่องที่เล่ามานี้แสดงอีกอย่างหนึ่งว่าคนเราเมื่อตกอยู่ในหมู่ใหญ่ความนึกคิดตรึกตรองถึงเหตุผลย่อมจะหมดไปถ้ามีใครกล้านำทำอะไรขึ้นก็อาจจะทำตามกันได้ง่ายๆนักค้นคว้าในเรื่องนี้กล่าวว่ามนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีถ้าอยู่กันเป็นหมู่ใหญ่ในสัญชาตญาณที่มีอานาจเหนือความคิด ฝูงแกะที่ขังคอกไว้เป็นหมู่มากจำนวนร้อยถ้าตัวหนึ่งกระโดดข้ามคอกออกไปทางไหนได้ตัวอื่นๆก็จะกระโดดตามออกไปคนเราก็เป็นเช่นเดียวกันคนที่อยู่กันเป็นหมู่มากอาจจะถูกชักนําให้ตามไปได้ง่ายคนฉลาดที่สุดหรือมีความรู้มากที่สุดอาจจะถูกคนที่โง่กว่ามีความรู้น้อยกว่าแต่ใจแข็งกว่าชักนําให้ทําตามไปได้และทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ทั้งในทางดีและทางร้าย ยิ่งในสมัยที่เกิดการจราจนหรือการปฏิวัติขึ้นในบ้านเมืองเป็นสมัยที่โกลาหลตื่นตกใจกันยิ่งเป็นเวลาที่คนเราใช้เหตุผลน้อยที่สุดและย่อมจะตามคนที่ชักนำไปได้ง่ายๆในสมัยที่เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2332คือเมื่อเรา160ปีมาแล้วชาวฝรั่งเศสไม่ใช่ประชาชนที่ไร้การศึกษาป่าเถื่อน แต่เป็นประชาชนที่ได้รับการศึกษาดีพอสมควรเป็นคนเจ้าความคิดมีสติปัญญาแม้ในหมู่พลเมืองทั่วไปก็มีความรู้ความคิดไม่ต่ำกว่าประเทศใดๆที่เจริญที่สุดในสมัยเดียวกันแต่การปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสนั้นเรื่องจงจิตได้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งใหญ่การปฏิวัติเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการจงจิตของคนจานวนไม่มากมายความดีและความเสียสละทั้งหลายได้ทากันสาเร็จด้วยวิธีการจงจิต แต่ในเวลาเดียวกันก็มีเรื่องโหดร้ายเรื่องอยุติดธรรมเรื่องที่คนฝรั่งเศสเองต้องเสียใจภายหลังว่าได้ทำผิดไปด้วยการจุงจิตอีกเหมือนกันและน่าประหลาดใจว่าการจุงจิตในทางที่ผิดนั้นคนที่ได้รับการศึกษามีวิชาวความรู้ก็พลอยตามไปด้วยได้มีบางเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยคือไม่น่าจะเป็นไปได้ตามความคิดธรรมดาของมนุษย์ก็เชื่อฟังกันไปได้พักหนึ่งเชื่อกันจนกระทําความโหดร้ายรุนแรง และก็เสียใจภายหลังว่าทําผิดไปมีเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนพุทธศักราช2332คือราวหนึ่งเดือนภายหลังที่การปฏิวัติได้ระเบิดขึ้นคือเมื่อราษฎรทางกรุงปารีสได้แย่งอาวุธจากคลังแสงของรัฐบาลเข้ามาทําการโจมตีและยึดป้อมปาสตีได้แล้ว การเจราจนก็ได้เกิดขึ้นในที่อื่นๆทั่วประเทศฝรั่งเศสตามหัวเมืองต่างๆราษฎรได้เข้าปล้นคฤหาสน์ใหญ่ๆฆ่าเจ้านายที่ถือกันว่าเป็นศัตรูของประชาชนและเป็นการแน่นอนว่าในกรณีที่วุ่นวายอย่างนี้คนดีแท้ๆที่ถูกฆ่าตายเสียเป็นอันมากรวมทั้งคนดีที่สุดในพวกปฏิวัติเองเรื่องน่าอนาจใจได้เกิดขึ้นที่เมืองทัว ผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีแท้ๆและตามธรรมดาคนดีคนซื่อตรงต่อหน้าที่ก็ย่อมจะมีคนเกลียดชังมีคนเปล่าประกาศแก่ราษฎรว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ต้องการที่จะบังคับให้ราษฎรกินหญ้าอย่างสัตว์แทนที่จะให้กินอาหารของมนุษย์ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนฝรั่งเศสซึ่งมีการศึกษาดีพอสมควรจะหลงเชื่อคำเป่าประกาศอย่างนั้นแต่ในสมัยยุ่งยากจะลาจน คำเป่าประกาศแม้ที่ไม่มีเหตุผลเช่นนั้นก็มีคนเชื่อมีคนไปพบย่า ก, กองโตๆตสามกองภายในเครือหาดของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นี้ราษฎรก็ยกพวกเข้าในเครือหาดพบตัวผู้ว่าราชการจังหวัดก็รุมกันตีเสียจนตายผู้หญิงคนหนึ่งเอาเท้ากระทืบที่หน้าของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งตายไปแล้วและเอากันไกแทงในตาหลายครั้งหลายหนศพของผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ได้ถูกกลากเอามาที่สะพานข้ามแม่น้ำ เอาเชือกผูกคอเข้าย่อนลงไปในน้ำแล้วก็ดึงขึ้นมาย่อนลงไปอีกดึงขึ้นมาแล้วหลายครั้งหลายหนซึ่งไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรแล้วก็ลากศพนั้นไปตามถนนที่ปากของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นถูกเอาย่ายัดเข้าไปเต็มปากนี่คือตัวอย่างที่ว่าในสมัยยุ่งยากจจลาจนนั้นคนคนเดียวหรือสองถึงสาคนอาจจะเป่าข่าวให้เป็นผลร้ายอย่างแสนสาหัสแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ เรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ลงท้ายก็ประจักษ์แก่ราษฎรทั้งหลายว่าเป็นคนดีแท้ๆและเรื่องเป่าข่าวที่ว่าจะให้ราษฎรกินห ญ, ญ้านั้นเป็นเรื่องเลวไหลอ ย, อย่างหน้าบัดสีและความบัดสีก็อยู่แก่ผู้ที่เชื่อนั่นเองมีอีกมากมายหลายเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างการจลาจลการปฏิวัติล้วนเป็นเรื่องร้ายแรงหน้าอนเนตอนาดที่คนดีถูกฆ่าตายอย่างทารุณความมาปรากฏภายหลังว่า เป็นคนดีแท้ๆบางคนถึงกับต้องสร้างอนุสรีให้บางคนถึงกับต้องเอาชื่อมาตั้งชื่อถนนในเมืองหลวงบางคนเหล่านั้นได้ตายไปเสียแล้วตายอย่างคนเลวร้ายไปพักหนึ่งด้วยอำนาจการจุงจิตที่คนแข็งแรงเพียง 2- ถึงสคนก่อทําขึ้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นบทเรียนอย่างสําคัญในชีวิตมนุษย์เราคืออย่าประมาทว่าศัตรูเพียงสองคนจะทําอันตรายไม่ได้คนหนึ่งหรือสองคนนั้นเองสามารถจะชักจูงอีกหลายร้อยหลายพัน ให้เกลียดชังและทำร้ายคนดีแท้ๆได้ในทางที่ตรงกันข้ามคือคนร้ายแท้ๆกลับได้รับการเกรงกลัวเคารพนับถือกราบไหว้บูชาไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็มีนักเขียนคนหนึ่งชื่อบักเกิลได้เขียนบรรยายถึงลักษณะของพระเจ้าฟิลิปที่สองแห่งสเปนว่าพระองค์มีลักษณะทุกๆอย่างสำหรับจะทำให้คนกลัวคนเกลียดความโหดร้ายและการกดขี่ที่ได้ทรงทำแก่ประชาชนนั้นเป็นเรื่องเหลือที่จะพนน า, นา แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังเป็นที่เคารพ บ, บูชาของชาวสเปนลักษณะอันแปลกประหลาดของพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้คือชอบพูดอะไรเพียงครึ่งๆไม่ชัดเจนแล้วผู้ที่รับใช้ก็ต้องเดาเอาเ อ, าเองว่าพระเจ้าแผ่นดินต้องพระประสงค์อะไรจะไปซักถามเข้าไม่ได้ถูกลงโทษอย่างหนักต้องเดาพระราชประสงค์และทําให้ถูกต้องถ้าทําถูกก็รอดตัวถ้าทําไม่ถูกต้องก็ต้องถูกลงโทษอย่างที่เป็นทุกข์ทรมานอาจถึงตายก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแทนที่จะบอกมหาดเล็กว่าให้ไปเอาของสิ่งนั้นสิ่งนี้มาพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้บอกแต่เพียงว่าไปเอามาและมหาดเล็กคนนั้นต้องเดาเอาเองบางทีก็เดาถูกโดยสังเกตว่าพระเจ้าแผ่นดินกำลังอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรควรจะต้องการอะไรถ้าหากเดาผิดไปก็หมายถึงการที่จะต้องรับโทษอย่างแรงแต่ถึงกระนั้นคนก็ยังเคารพ บ, บูชา พระเจ้าแผ่นดินที่โหดร้ายมีอยู่เป็นอันมากเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินโหดร้ายมีอยู่ด่า ด, ดื่นในประวัติศาสตร์แต่ก็เป็นความจริงข้อหนึ่งในประวัติศาสตร์เหมือนกันว่าในสมัยที่พระเจ้าแผ่นดินโหดร้ายเลวทรามอย่างนั้นการกรบฏหรือ ก, การปฏิวัติไม่เกิดขึ้นการกรบฏก็ดีการปฏิวัติก็ดีมักจะมาเกิดในสมัยที่พระเจ้าแผ่นดินค่อนข้างใจดีปัญหาจึงมีว่าเหตุไฉนคนทั้งบ้านทั้งเมือง ถึงยอมกลัวคนเลวคนร้ายซึ่งศักแต่ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินทำไมคนหลายล้านคนจึงไม่ลุกขึ้นทำร้ายคนเลวร้ายนั้นคนเดียวเพื่อเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินใหม่หรือเปลี่ยนระบบการปกครองให้พลเมืองอยู่เย็นเป็นสุขกันต่อไปทางที่จะตอบปัญหาข้อนี้ก็มีอยู่ทางเดียวคือการจูงจิตเมื่อคนพวกหนึ่งกลัวก็ทาให้คนอื่นพลอยกลัวไปด้วยเมื่อคนหมู่หนึ่งเคารพ บ, บูชาจะด้วยความกลัวหรือด้วยความนับถือจริง หรือด้วยความหวังผลตอบแทนอย่างไรก็ตามทีย่อมจะจูงจิตคนเป็นอันมากให้เคารพ บ, บูชาตามไปด้วยโดยไม่ค่อยนึกถึงว่าเขามีคุณสมบัติอันใดที่ควรจะเคารพ บ, บูชาหรือไม่พระมหากษัตริย์ที่ดุร้ายถืออำนาจราชศักดิ์ยิ่งใหญ่เมื่อพูดอะไรทำอะไรคนก็ทำตามแม้จะบอกให้ไปตายก็ไปตายได้มีเรื่องเล่า ว, ว่าพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียซึ่งมีความดีอยู่หลายประการแต่มีความโหด ร, ร้ายเป็นที่หนึ่งเช่น ทรงใช้ทานพระกอดตีมหาหเล็กจนตายเพราะเหตุอย่างเดียวคือหยิบของมาให้ไม่ทันใจครั้งหนึ่งประทับอยู่กับมหาหเล็กคนหนึ่งบนหอสูงมหาหเล็กคนนั้นปฏิบัติไม่ต้องด้วยพระราชประสงค์ก็รับสั่งว่าให้กระโดดลงไปตายเสียจากหอสูงนี้มหาหเล็กผู้นั้นถวายคำนับทำมือเป็นรูปกลางเขนคือแต่ที่หน้าผากที่ไหลทั้งสองและที่หน้าอกแล้วก็กระโดดลงไปจากหอสูงถึงแก่ความตายทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ทำไมมหาดเล็กคนนั้นจึงไม่เกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าไหนๆจะตายแล้วอย่างน้อยก็ตีพระเสียนพระเจ้าปีเตอร์สักแผลหนึ่งหรือผลักองค์พระเจ้าปีาเตอรเ์ร เ, ร เ, ร เ, เองให้ตกลงไปจากหอสูงเสียด้วยแล้วเพื่อจะไม่ต้องรับโทษอย่างทรมานก็กระโดดจากหอสูงเสียเองด้วยความคิดเช่นนี้ย่อมจะไม่มีขึ้นแก่บุคคลเช่นนั้นเขายอมทําตามคําสั่งทุกอย่างแม้จะสั่งให้ไปตายเขาไม่เกิดความคิดว่าทําไมจึงจะยอมตายคนเดียว ทำไมจึงไม่ฆ่าคนที่ใช้อำนาจระชาชศักดิ์อย่างนั้นเสียก่อนความคิดเช่นนี้ย่อมไม่มีขึ้นเพราะไม่เคยปรากฏตัวอย่างคนที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ขัดขืนคำสั่งหรือทำการต่อสู้ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะเคี่ยนตีหรือทำร้ายตัวที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องจูงจิตอีกเหมือนกันคือความรู้สึกที่ว่าคนตั้งหลายคนเครารพ บ, บูชาและเชื่อฟังคำสั่งเขาจะต้องเครารพ บ, บูชาและเชื่อฟังคำสั่งไปด้วย เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กเล็กๆระเบียบวินัยของทหารยังยอมให้นายทหารตบตีและเคี่ยนพลทหารได้ข้าพเจ้าได้เห็นอยู่เสมอที่ทหารใหม่เข้าฝึกหัดนายทหารหรือนายสิบผู้ฝึกหัดกล่าววาจาหยาบและตบทหารในความควบคุมของตัวข้าพเจ้าเคยตั้งปัญหาคิดในใจเวลานั้นว่าทำไมพลทหารซึ่งมีอยู่ตั้งสิบคนจึงไม่รุมกันต่อยนายทหารหรือนายสิบซึ่งมีอยู่คนเดียว เพราะถ้ารุมกันเข้าทำร้ายแล้วในายฐานหรือนายสิบนั้นจะไม่มีทางรอดไปได้ทำไมพ้นฐานเหล่านั้นซึ่งเป็นคนเหมือนกันจึงยอมถูกด่าว่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายและยอมถูกทำร้ายตบตีอันที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจุงจิตอีกเหมือนกันคือว่าผู้บังคับบัญชานั้นย่อมมีคนกลัวเมื่อมีคนหนึ่งกลัวคนอื่นๆก็พลอยกลัวไปด้วยเมื่อคนหนึ่งต้องเชื่อฟังหรือยอมตามคนอื่นๆก็ต้องพลอยเชื่อฟังหรือยอมตามไปด้วย กฎอันนี้เองได้สร้างความสําเร็จให้แก่คนสําคัญเป็นอันมากเช่นซีซ่นานโปเลียนหรือใครๆที่ใช้คนจํานวนหมื่นจํานวนแสนให้ไปตายเพื่อประโยชน์และความยิ่งใหญ่ของตัวเองทําไมคนจํานวนมากจึงยอมไปตายเพื่อคนคนเดียวก็เป็นเพราะว่ามีคนพวกหนึ่งยอมอย่างนั้นแล้วก็จูงจิตให้คนอื่นๆยอมตามไปด้วยเลยยอมกันเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นจํานวนล้านเรื่องจุงจิตของคนหมู่มากตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น เราจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญอยู่สองประการประการหนึ่งคือให้มีคนพวกหนึ่งหมู่หนึ่งยอมทำตามอย่างไม่ตั้งปัญหาสามารถจะชักจูงคนพวกอื่นหมู่อื่นให้ยอมตามไปด้วยและอีกประการหนึ่งถ้าเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนให้เกิดความตื่นเต้นก็ยิ่งจะให้ตามไปได้ง่ายเพราะไม่มีเวลาคิดหาเหตุผลเห็ุหมูใหญ่ทำอย่างไรก็มักจะทำตามคนหมูใหญ่โดยไม่ตั้งปัญหาอะไรเลยถ้าทั้งสองประการนี้มารวมกันเข้า ก็ยิ่งได้ผลมากและเทคนิคอันนี้เองที่รัฐบาลทั้งหลายต้องใช้ในเมื่อประเทศชาติต้องเข้าสงครามตามปกติก่อนที่จะเกิดสงครามขึ้นนั้นย่อมจะมีปัญหาที่ต้องเจรจากันมากมายในทางการทูตและการเจรจาเหล่านั้นทางการก็ย่อมจะเผยแพร่ให้ราษฎรทราบและราษฎรก็รู้ว่าประเทศชาติกาลังมีปัญหาที่สาคัญซึ่งอาจจะเกิดสงครามขึ้นได้ถ้าทางการ ยังเปิดเผยให้ราษฎรทราบผลของการเจรจาว่ากล่าวกันเรื่อยๆไปก็มักเป็นการแน่นอนว่าสงครามยังไม่เกิดหรือยังอยู่ห่างไกลแต่ถ้าเหตุการณ์ได้เงียบสงบลงโดยไม่ปรากฏว่าได้แก้ปัญหาหรือทำความตกลงกันได้ในทางใดก็เป็นการแน่นอนว่าสงครามจะต้องเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเทคนิคที่รัฐบาลต่างๆได้ใช้มาเสมอคือถ้าแน่ใจว่าสงครามจะต้องเกิดขึ้น โดยไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แน่แล้วก็ต้องปิดข่าวไว้ให้เงียบพักหนึ่งปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปแล้วพอจะเกิดสงครามหรือจำเป็นต้องประกาศสงครามก็ทำกันอย่างเป็นเรื่องโคลครามปัจจุบันทันด่วนให้เป็นเรื่องฉุกกระหุกจนพลเมืองไม่มีเวลาจะคิดถึงเหตุผลมีการประกาศสงครามหรือประกาศประดมพลแล้วกองทัพก็ออกเดินไปสู่สมรภูมิเทคนิคนี้มักจะจูงจิตพลเมืองให้เห็นดีเห็นชอบเห็นความจำเป็นที่จะต้องทำสงคราม และผลอันนี้ได้มาจากวิธีอันเดียวคือทำให้เป็นเรื่องฉุกระหุปัจจุบันทันด่วนเป็นเรื่องตื่นเต้นนักแต่งตำราเรื่องการจุงจิตชอบยกเรื่องของนายลาสนักการคลังผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าการจุงจิตนั้นสามารถจะให้ผลดีผลร้ายได้เพียงไรและคนเป็นจานวนมาก สามารถถูกจุงจิตได้ด้วยวิธีง่ายๆเพียงไรการจุงจิตนั้นอาจทําให้คนประสบความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีหรือประสบการล้มละลายได้ทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างไรนักแต่งตําราเช่นซาโตผู้เขียนตําราเรื่องการสะกดจิตและจูงจิตได้นาเรื่องของนายลาร์สมากล่าวอย่างเป็นเรื่องสําคัญมากเรื่องหนึ่งไม่ใช่สําคัญในทางปัญหาการคลังหรือประวัติศาสตร์แต่สําคัญในปัญหาทางจิตวิทยาเรื่องการจุงจิตนี้เอง ฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้จึงจะกล่าวถึงเรื่องของนายลารดนี้ไว้โดยย่อๆพอสมควรบุคคลผู้นี้เป็นชาวอังกฤษหรือถ้าจะกล่าวให้แน่ชัดลงไปอีกก็ต้องว่าเป็นชาวสกอตเกิดที่เมืองเอดินบะระเมื่อพุทธศักราช2214ไปตายที่เมืองเวนิสเมื่อพุทธศักราช2272เมื่อยังเด็กชอบวิชาคนวณเมื่อเติบโตขึ้นชอบเล่นการพนันเมื่ออายุ14ปี เกิดต่อสู้กับชายคนหนึ่งเรื่องแย่งผู้หญิงกันนายลารดฆ่าชายผู้นั้นตายแล้วหนีออกจากประเทศอังกฤษท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆบนภาคพื้นยุโรปเล่นการพนันทุกขนทุกแห่งชอบการศึกษาวิชาการเงินการคลังโดยสังเกตหาความรู้และวิธีการในประเทศต่างๆที่ตนท่องเที่ยวไปได้เคยเขียนตำราเกี่ยวกับการคลังซึ่งเป็นตำราดีที่สุดในสมัยนั้นบุคคลผู้นี้ได้เข้ามาในประเทศฝรั่งเศส ในสมัยพระเจ้าหลุยที่14เข้าสมาคมชั้นสูงได้เล่นการพนันอย่างร่ำรวยจนวิตกกันว่านายลาจะทําให้คนมั่งคั่งทั้งหลายในประเทศฝรั่งเศสล้มละลายหมดเลยถูกในประเทศออกจากฝรั่งเศสเมื่อพระเจ้าหลุยที่14สิ้นพระชนแล้วพระเจ้าหลุยที่15ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพระชนเพียง 5,000 ษาต้องมีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ประเทศฝรั่งเศสเกิดความขับขันทางการเงินและใกล้จะล้มละลาย ไม่มีใครจะกู้ฐานะของประเทศไว้ได้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รู้จักคุ้นเคยกับนายลารมาแต่ก่อนและเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ทางการเงินดีจึงเรียกตัวเข้ามาประเทศฝรั่งเศสมอบหน้าที่ให้แก้ไขปัญหาการคลังของประเทศให้พ้นอันตรายนายลารได้จัดตั้งธนาคารตั้งบริษัทค้าขายจัดการเดินเรือระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศต่างๆในเอเชียและอเมริกา จัดทำให้เมืองขึ้นที่ฝรั่งเศสมีอยู่สมัยนั้นเกิดผลประโยชน์อย่างดีช่วงเวลาเพียงสองปีประเทศฝรั่งเศสฝืนตัวฐานการคลังมั่นคงมีเรือเดินทะเลเป็นจำนวนมากผู้คนในประเทศฝรั่งเศสมั่งข้างเป็นเศรษฐีขึ้นตั้งหลายพันคนแต่โดยที่ทำงานอย่างไม่รู้จักประมาณจึงเกิดหายนะใหญ่หลวงธนาคารและบริษัทล้มละลายหุ้นส่วนพากันล่มจมคนมั่งคัง่งกลับถึงความพินาศ ตัวนายลาร์ตต้องหนีออกจากประเทศฝรั่งเศสและไปตายในประเทศอิตาลีประวัติย่อๆของคนผู้นี้มีเพียงเท่านี้แต่ความสําเร็จของเขาก็ดีความล่มจมของเขาก็ดีเนื่องจากมูลเหตุอันเดียวคือการจุงจิตหมูค่คนชื่อของนายลาร์ตนี้เขียนว่าลอแต่อ่านว่าลารเมื่อได้ถูกเผชิญกลับเข้ามาในประเทศฝรั่งเศสนายลาสก็รับรองแก่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ว่าประเทศฝรั่งเศสจะไม่ต้องล้มละลาย ความลำบากทางการคลังของฝรั่งเศสในเวลานั้นเกิดจากการหยุดนิ่งทางเศรษฐกิจกล่าวคือการค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมไปหยุดลงพร้อมๆกันเหมือนหนึ่งว่าเศรษฐกิจได้สงบไปแต่ยังไม่ตายการที่เศรษฐกิจต้องสงบไปอย่างนั้นก็เนื่องจากรัฐบุรุษของฝรั่งเศสในขณะนั้นดำเนินวิธีการคลังผิดทางทาให้ประชาชนขาดความไว้วางใจ ที่จริงฝรั่งเศสมีทรัพย์ในดินสินในน้ำอยู่มากหลายสามารถจะระดมเอาความมั่งคั่งทั้งหมดของประเทศขึ้นมาใช้เพื่อแก้สถานการณ์ครั้งนี้นายลารเสนอความเห็นให้ตั้งธนาคารใหม่และออกธนบัตรเพื่อหมุนเวียนใช้ให้พอกับความต้องการแลกเปลี่ยนผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ยังไม่ปรงใจเชื่อนายลารอย่างแท้จริงและไม่ยอมที่จะให้รัฐบาลออกทุนรอนแต่ยอมให้นายลารตั้งธนาคารด้วยทุนของนายลารเองนายลาร ได้ตั้งธนาคารขึ้นด้วยทุนรอนของตัวเองเป็นจำนวนทุนหล้านในขั้นแรกก็ดำเนินการอย่างธนาคารทั่วไปคือรับฝากเงินโดยให้ดอกเบี้ยให้ยืมเงินโดยไม่มีประกันและธนาคารของนายลาร์ดมีอานาจออกพันธบัตร ด, ด้วยภายหลังที่ธนาคารตั้งขึ้นไม่ถึงกี่ปีออกธนบัตรเป็นจำนวนไม่ถึงหสบล้านและรัฐบาลก็ประกาศว่า การเสียภาษีอากรทั้งหลายนั้นให้เจ้าพนักงานรับพันธบัตรของนายลาร์ดชำระค่าภาษีได้เมื่อเป็นดังนี้จึงมีเงินหมุนเวียนภายในประเทศขึ้นมากหลายการค้าอุตสาหกรรมที่หยุดนิ่งหรือสงบไปนั้นได้กลับฟื้นตัวขึ้นต่อมานายลารได้รับอนุ ญ, ญาตให้จัดตั้งบริษัทหนึ่งเรียกว่าบริษัทตะวันตกมีโครงการซื้อสินค้าจากทวีปอเมริกามาขายในยุโรปและขุดพบโพกกระซัทางลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี ซึ่งร่ำลือกันนักหนาว่าเป็นดินแดนที่สมบูรณ์ภูมิผลเสียงร่ำลือเกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำนี้ไม่รู้ว่าข่าวประกาศอย่างไรคนพูดคนฟังและคนเชื่อกันทั่วไปเป็นลุ่มน้ำที่สามารถจะนำความมั่งคั่งมาให้แก่ใครๆได้อย่างง่ายดายลือกันว่าใครเดินทางไปถึงลุ่มน้ำนั้นก็มีคนชาวป่าเอาเนื้อเงินเนื้อทองและเพชรนินจินดามายื่นให้ลือกันว่ามีหินก้อนใหญ่มาหืมาเป็นมรกรทั้งก้อน ลือกันว่าผู้เขาทั้งลูกเป็นเนื้อทองเนื้อเงินและตัดออกมาเป็นแท่งๆวางไว้ให้ดูที่สำนักงานของบริษัทซึ่งตั้งใหม่ลือกันว่าคนป่าในลุ่มน้ํานั้นคุ้นกับเพชรนินจินดามากมายจนไม่รู้ว่ามีราคาเท่าไหร่เพชรนินจินดาสําหรับคนป่าเหล่านั้นก็เท่ากับก้อนกรวดสําหรับคนฝรั่งเศสเมื่อคนฝรั่งเศสไปถึงและเอาของเล็กน้อยไปยื่นให้ก็สามารถจะแลกเพชรนินจินดาตั้งกอบตั้งกรรมได้ด้วยเสียงเล่าลือดังกล่าวนี้ บริษัทนายรัตตั้งขึ้นใหม่และออกไปหุ้นเป็นจํานวนทุนถึง100รล้านขายหมดในช่วงเวลาเล็กน้อยบริษัทเริ่มมีเรือเดินทะเลได้ถึง24ลําซึ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่หลวงมากเรือเหล่านั้นได้เดินทางไปทวีปอเมริกาไปยังลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี้จริงไม่ได้เพชรนินจินดาหรือก้อนเงินก้อนทองอะไรมาได้แต่หนังสัตว์กับเม็ดละหุ่งบรรทุกมาเต็มเรือแต่ของสองอย่างนี้ก็เป็นสินค้าที่ต้องการกันทั่วยุโรป และได้กําไรดีมากบริษัทแบ่งเงินปันผลได้อย่างที่ผู้ซื้อหุ้นทุกคนพอใจแม้จะรู้เข้าภายหลังว่าเรื่องเนื้อเงินเนื้ อ, อ, อ, อทองหรือเรื่องเพชรนินจินดา น, านั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเลวหลวไหลทั้งสิ้นก็ไม่มีใครว่ากระไรเพราะผลกําไรที่ได้จากการค้าหนังสัตว์และเม็ดละหุงนั้นได้มากเป็นที่พอใจอยู่แล้วต่อมาไม่ช้าบริษัทได้เพิ่มจํานวนเรือเดินทะเล ถ, ถึงเจ็ดสิบลำต่อมาเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งร้อยต่อมาเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นอีก ออกใบหุ้นใหม่คราวใดก็ขายดีเหมือนเทน้ําคนทั้งหลายเข้าใจดีว่าวิธีการของนายลัดที่ปล่อยข่าวลือถึงเนื้อเงินเนื้อทองหรือเพชรนินจินดานั้นก็เพื่อให้คนซื้อหุ้นถ้าบอกว่าจะเอาไปค้าหนังสัตว์และเม็ดละหุ่งก็คงไม่มีใครนิยมยินดีคําโฆษณาเป็นการหลอกลวงจริงแต่ลงท้ายก็ได้ผลดีใบหุ้นของบริษัทซึ่งออกไปเป็นจำนวนหลายร้อยล้านนั้นลงท้ายก็กลายเป็นสินค้าอันหนึ่งคือมีตลาดขายใบหุ้น มีการซื้อขายกันมากมายโดยที่มีคนแย่งซื้อมากราคาใบหุ้นจึงสูงขึ้นมากการซื้อขายใบหุ้นจึงกลายเป็นการเสี่ยงโชคอย่างเล่นการพนันเพราะซื้อไว้เป็นจำนวนหลายล้านแต่ต่อมาไม่ช้าก็ขายได้กำไรหลายล้านโดยที่มีคนต้องการซื้อมากทุกๆวันมีคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อขายใบหุ้นเด็กหนุ่มคนใช้ในโรงเต้นรำคนหนึ่งรวยขึ้นมาทันทีถึงสามสิบล้าน พระสมภารเจ้าวัดองค์หนึ่งรวยสิบแปดล้านคนคนหนึ่งซึ่งประกอบอาชีพในทางทำความสะอาดในปล่องไฟตามบ้านเก็บเงินไว้ซื้อทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็รวยถึงสี่สิบล้านคนขับรถของผู้มีบรรดาศักดิ์คนหนึ่งเข้าไปบอกนายของตนเพื่อลาออกจากหน้าที่นายบอกว่าให้หาคนขับมาแทนสีก่กนคนขับรถตอบว่าเขากาลังหาคนขับรถสาหรับตัวเขาเองยังหาไม่ได้ นายจึงรู้ว่าคนขับนั้นกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาแล้วชีวิตในกรุงปารีสเป็นเหมือนต้นไม้ที่ผลิดอกออกใบในฤดูใบไม้ผลิงานรื่นเริงงานรับรองงานเต้นรําการเลี้ยงใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างได้ทํากันอย่างมโหัศรรยประเทศฝรั่งเศสเป็นสมัยแก้วสมัยทองตัวนายรัฐเองเป็นประหนึ่งเทพเจ้าการค้าทุกชนิดรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาในประเทศฝรั่งเศสโรงงานอุตสาหกรรมมีขึ้นทั่วไปการคลังของประเทศ ฟ, ฟื้นตัวและมั่งคัง่ง เพียงสาปีที่นายลาร์ดเข้ามาจัดการงานการคลังรัฐบาลก็สามารถประกาศยกเลิกภาษีอากรที่ราษฎรยังค้างอยู่ในปีก่อนๆให้เป็นอันเลิกไปราษฎรทั้งหลายจึงเห็นนายลาร์ดเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงแต่อันตรายก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อคนใช้เงินกันฟุ่มเฟือยมากธนาคารของนายลาร์ก็ต้องออกธนบัตรมากธนบัตรที่ออกไปมากเกินกว่าหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในธนาคารแต่เป็นเรื่องธรรมดาของการออกธนบัตร ถ้าปล่อยให้นายลั ด, ดําเนินการต่อไปด้วยความฉลาดไหวพริบของเขาวิธีการของนายลัสอย่างที่ทํานี้อาจจะดําเนินต่อไปแต่นายลัดมีศัตรูศัตรูของนายลัสเป็นคนใหญ่โตซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสยืนยันว่าได้รับสินบนจากต่างชาติเพื่อทําลายความรุ่งเรืองใหญ่หลวงทางการคลังของฝรั่งเศสเองและการที่จะทําลายวิธีการของนายลัดนั้นศัตรูของนายลัสก็ได้ใช้อุบายอย่างเดียวกับที่นายลัสได้ทํามาแล้ว คือเป่าข่าเล่าลือจูงใจคนไปในทางร้ายเลือกันว่าเวลานี้ธนาคารของนายรัฐได้ออกธนบัตรถึงสองล้านล้านเลือกันว่านายรัฐให้โรงพิมพ์ถึงสิองโรงพิมพ์พิมพ์ธนบัตรอยู่ทั้งกลางคืนกลางวันธนบัตรได้ออกมามากมายเกินประมาณถ้าใครจะเอาธนาบัตรไปแลกกลับเป็นเนื้อเงินเนื้ อ, อ, อทองธนาคารก็จะไม่มีให้เลือกกันต่อไปว่าทุนสำรองในธนาคารนั้นหมดสิ้นไปแล้วธนบัตรที่ออกมาเป็นแต่กระดาษเปล่า เมื่อลือกันไปมากๆก็มีคนอยากลองเจ้าชายองค์หนึ่งเอาธนาบัตรบรรทุกรถถึงสามคันไปขอแลกคืนเป็นเนื้อทองธนาคารของนายลารก็มีเนื้อทองให้แลกคนอื่นๆอยากจะลองบ้างพากันไปแลกมากมายก็ย่อมเป็นธรรมดาที่ธนาคารไม่สามารถจะมีเนื้อทองให้แลกธนบัตรจนหมดสิน้นรัฐบาลต้องออกประกาศห้ามไม่ให้ใครเก็บเงิเ น, นเนื้อทองไว้มากกว่าห้าสิบปอนด์ฝรั่งเศสพอประกาศฉบับนี้ออกไป ข่าวลือก็กระพือยิ่งขึ้นว่าทองในธนาคารหมดแล้วจริงๆคนที่มีธนบัตรอยู่จะไม่มีประโยชน์อะไรต้องรีบใช้ธนบัตรเสียให้หมดซึ่งซื้อกันอย่างขนานใหญ่ซื้อที่ดินซื้อเครื่องใช้ซื้อจนกระทั่งทานหินมาสะสมไว้ซื้อกันทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดการแตกตื่นในทางซื้ออย่างนี้ของทุกอย่างก็ขึ้นราคารวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคขึ้นราคาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อของทุกอย่างขึ้นราคา รัฐบาลโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทการค้าและองค์การทุกๆอย่างก็ต้องขึ้นเงินเดือนคนเพราะเงินเดือนเดิมไม่พอครองชีพเมื่อมีความจําเป็นต้องขึ้นเงินเดือนคนก็มีความจําเป็นต้องเพิ่มจํานวนธนบัตรออกมากขึ้นราคาของก็ยิ่งแพงขึ้นเมื่อราคาของแพงขึ้นก็ต้องเพิ่มเงินเดือนคนขึ้นเมื่อต้องเพิ่มเงินเดือนก็ต้องเพิ่มธนบัตรสภาพการอย่างนี้เป็นอันว่า ต, ตกเหวไม่มีทางจะแก้ได้คนที่เคยมั่งคั่งกลับยากจนลงไป คนจนยิ่งจนหนักขึ้นตัวนายลารซึ่งเป็นเทพเจ้าอยู่แต่ก่อนกลายเป็นมานรร้ายในสายตาของประชาชนครั้งหนึ่งเมื่อรถส่วนตัวของนายลาสขับมาตามถนนหมู่คนที่กรูกันเข้าไปทําลายรถนั้นจนย่อยยับทั้งคันนายลาสไม่ได้อยู่ในรถแต่คนขับถูกตีจนตายลูกสาวของนายลารซึ่งนั่งอยู่ในรถถูกคว้างที่หน้าเป็นแผลสาหัสตัวนายลาสต้องหนีออกจากประเทศฝรั่งเศสโดยไม่มีสมบัติอะไรติดออกไปด้วยนายลาส เที่ยวเร่ร่อนพนเจอนจรอยู่ตามที่ต่างๆในยุโรปอีกราวสิบปีไปถึงแก่กรรมที่เมืองเวนิสเมื่ออายุห้าสิบปีและตายอย่างยากจนเมื่อนายลาสออกจากประเทศฝรั่งเศสแล้วความยากจนและความล่มจมก็กลับเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสความโอถงมหรฬานซึ่งได้เป็นมาในช่วงเวลาเพียงสามปีตามวิธีการของนายลารนั้นก็เป็นประหนึ่งความฝันและประวัติศาสตร์ในชั้นหลังต่อมา ที่ได้ศึกษาพิจารณาการกระทําของคนผู้นั้นอย่างละเอียดได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อพูดถึงวิชาความรู้ทางการเงินการคลังแล้วก็ต้องยอมรับว่าคนคนนี้มีความรู้จริงมีความสามารถและกระทําการทุกอย่างด้วยความตั้งใจดีจริงความผิดอันเดียวของคนผู้นี้คือการทํามากเกินไปกว่าที่ควรทาทางานอย่างมักใหญ่ไฟสูงโดยไม่มีขอบเขตแต่ความคิดเพียงเท่านี้ก็สามารถจะแก้ไขได้ ถ้าคนฝรั่งเศสทุกคนในเวลานั้นถือประโยชน์แห่งประเทศชาติเป็นสำคัญความล่มจมแห่งวิธีของนายลาร์ซึ่งเป็นความล่มจมแห่งประเทศฝรั่งเศสด้วยนั้นไม่ได้อยู่ที่การกระทำของนายลาสอันที่จริงนายลาสได้รู้สึกตัวเป็นขั้นๆว่าตนทำอะไรผิดไปและได้พยายามแก้ไขนายลาร์ดสามารถจะแก้ไขสิ่งที่ผิดไปนั้นให้กลับเป็นดีทั้งหมดได้ถ้าไม่มีศัตรูมาแกล้งทำลายลงเสียก่อน ศัตรูที่ทำลายนายลารดลงไปนั้นได้ทำลายประเทศฝรั่งเศสด้วยไม่ใช่หน้าที่ของหนังสือเล่มนี้ที่จะบรรยายถึงประวัติศาสตร์หรือการเมืองการครังอย่างพิสดารแต่เรื่องของนายลารดทั้งเรื่องเป็นตัวอย่างเด่นที่สุดในเรื่องการจูงจิตและที่เจ้าตำราทางจิตวิทยาต้องยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างด้วย